แถวนี้ผีดุตำนานนาคีนาคาประสบการณ์เจอพญายนาของหลวงปู่ชอบหลังจากที่อัพเรื่องเกี่ยวกับตำนานนาคีและมีเพื่อนๆสนใจเป็นอย่างมากวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเจอพญายนาจริงๆของหลวงปู่ชอบฐานนัสโมแล้วคุณคงต้องตัดสินใจเองว่านาคีและนาคามีอยู่จริงไหม หลวงปู่ชอบฐานนสโมโธท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตเทระเป็นศิษย์อาวุโส ร, รุ่นเดียวกันกับหลวงปู่หลุยถ้ำผาบิ้งหลวงปู่สามาหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปูาา่ฟัน่นอาจารโธท่านระลึกชาติได้หลายชาติบางชาติท่านเป็นมนุษย์บางชาติเป็นสัตว์ชาติสุดท้ายเป็นแก้งถูกพรานยิงตายใกล้บ้านโคกมนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยดังนั้นในชาตินี้ ท่านจึงไปสร้างกุฏิครอบจอมปลวกตรงที่เก้งตายครั้งหนึ่งสมัยหลวงปู่ชอบบำเพ็ญเพียรอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งท่านพบว่าในตอนเช้าๆจะมีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาถวายจังหันเสมอเขาจะกลับไปพร้อมญาติโยมชาวบ้านแต่แปลกตรงที่เวลามาถวายจังหันเขาจะแยกนั่งคนเดียวอยู่ห่างๆจากชาวบ้านหลวงปู่ชอบรู้สึกสงสัยจึงได้แอบถามชาวบ้านดูว่า ชายหนุ่มผู้ น, นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครชาวบ้านตอบว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านตำบล น, นั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครอยู่ต่อมาวันหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็มาถวายจังหันอีกและแยกนั่งห่างๆจากญาติโยมชาวบ้านเมื่อพระเนนฉันข้าวเสร็จแล้วชาวบ้านก็กราบลาทยอยกันกลับบ้านชายหนุ่มผู้ น, นั้นก็กลับหลวงปู่ชอบจึงแอบสกด ร, รอยตามไปห่างๆก็ต้องพบกับความประหลาดใจ เพราะชายหนุ่มผู้นั้นได้เดินลงไปในสระน้ำเก่าแก่ในบริเวณวัดป่านั่นเองเมื่อลงไปจนจมน้ำมิดหายไปแล้วท่านก็เฝ้าดูอยู่นานก็ไม่เห็นโผล่ขึ้นมาจึงกลับกุฏิเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มผู้นั้นมาถวายจังหันอีกเมื่อถึงตอนกลับลากลับหลวงปู่ชอบได้เรียกไว้ถามไถ่เอาความว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้านอยู่ไหนเมื่อวานนี้ลงไปในสระน้าแล้วไม่โผล่ขึ้นมาเลย เขาเป็นผีหรือเป็นคนชายหนุ่มลึกลับผู้นั้นได้สารภาพว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นโอปะปฏิกะพยานาคอยู่ในสระน้ำแห่งนั้นมีหลงปู ม, มั่นภูริทัตเทระเป็นผู้ที่เขาให้ความเคารพนับถือในศีลารจรวัตของพระป่าที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยจึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์มาตักบาตรทุกเชา้าหลวงปู่ชอบพอใจในศรัทธาของพญานาคมากได้โมทนาสาธุให้ศีลให้พร ขอให้พญานาคเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นมนุษย์ได้บรรพชาอุปสมบทบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลนิพพานพญานาคพอใจมากได้กราบลาไปตั้งแต่วันนั้นไม่ได้มาอีกเลยคงเกรงชาวบ้านจะรู้ความลับของตนแลมารบกวนในภายหลังก็เป็นได้หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่หลุยเป็นพระสหธรรมิกที่รักใคร่นับถือกันมากมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ หลวงปู่หลุยจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยท่านได้เล่าให้ญาติยอมฟังว่าที่ถ้ำผาบิง้งอำเภอวังสุพุงจังหวัดเลยมีช่องหรือรูทางขึ้นลงของพญา น, นาคอยู่ในถ้ำผาบิง้งเป็นช่องขนาดตัวคนสามารถคลานลงไปได้วันดีคืนดีจะส่งเสียงร้องดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนเสียงฟ้าร้องเคยมีคนใจคอก้าหานไม่กลัวตายเอาเชือกผูกเอวคลานลงไปในรูของพญา น, นาค รูนั้นลึกช้อนชัยลงไปจนทะลุออกแม่น้ําเมื่อทลองเอาผลส้มกลิ้งลงไปส้มนั้นกลิ้งลงไปถึงแม่น้ำหลวงปู่ชอบฐานนสมโมมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคหลายครั้งหลายคราสมัยเมื่อสิทธิยานุสิทธิ์นิมลท่านไปโปรดญาติโยมที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาตอนที่ญาติโยมพาท่านไปชมน้ําตกในแองการานั้นท่านเล่า ว, ว่าพญานาคในน้ําตกแองการาแห่งนั้นได้แปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาในมรสการท่าน ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบเดินทุ ด, ดงอยู่แถวแม่น้ําเฮียงจังหวัดเลยแม่น้ํานี้ไหลออกทางแม่น้ําโขงท่านอยากจะข้ามแม่น้ำโขงไปทุดงทางฝั่งประเทศลาวแต่ไม่มีเรือนั่งข้ามไปดังนั้นเมื่อกางกรดพักแรมที่ริมฝั่งแม่น้ําเฮียงในคืนนั้นขนาดนั่งเจริญภาวนาก็เกิดนิมิดภาพชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามานั่งกราบสามครั้งและพูดว่าได้ทราบว่าพระคุณเจ้าจะข้ามไปสแสวงวิเวกทางฝั่งลาว พวกข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งอยากจะข อ, อนิมนพระคุณเจ้าข้ามไปฝั่งโน้นโปรดสัตว์ผู้ยากให้พ้นจากความหลงโมหะอวิชชาในนิมิตสมาธินั้นหลวงปู่ชอบได้รับนิมนด้วยอาการสงบหรือดุษณีคือยิ้มรับโดยไม่พูดอะไรอันเป็นอกกัปกิริยาสำรวมตนของพระสงฆ์เรียกว่ามีสมณสาูปครั้นรุ่งเช้าหลวงปู่ชอบไปบิณฑบาตในหมู่บ้านและกลับมาฉันข้าวแล้ว ท่านก็เก็บกรดเครื่องบริขารทุดงออกเดินทางเลียบมาตามริมฝั่งแม่น้ําเฮียงใกล้ๆกับแม่น้ําโขงมองออกไปในลําน้ําเฮียงมีแต่ความว่างเปล่าเงียบสงบสายลมพัดพลิ้ววูวิ ว, วดูวังเวงไม่เห็นวิวแววสิ่งมีชีวิตใดๆเลยแต่แล้วในพริบตานั้นจู่ๆก็เห็นเรือน้อยลําหนึ่งพุ่งออกจากฝั่งตรงข้ามตรงมาคนเรือพายวาดหัวเรือตัดกระแสน้ําเฮียงเข้ามาหาอย่างจงใจ เมื่อพายเข้ามาถึงตะลิ่งแล้วคนพายได้ร้องขึ้นว่านิ ม, มนต์ลงเรือเถิดพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบได้ถามว่าจะไปทางไหนกันเล่าโยมชายคนนั้นตอบว่าข้าน้อยจะไปฝั่งลาวยินดีรับหลวงพ่อไปฝั่งโน้นหลวงปู่ชอบจึงไปลงเรือน้อยลำนั้นคนเรือมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสให้ความเคารพน้อมนอบอย่างน่าสังเกตเขาวาดหัวเรือออกจากตะลิ่งอย่างคล่องแคล่วชำนาญ พาเรือตัดออกกลางลำน้ำเหียงเข้าสู่ลาน้าโของอันกว้างใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่งประเทศลาวเมื่อเรือเข้าถึงหาดทรายฝั่งลาวแล้วหลวงปู่ชอบก็ประคองถุงบาทและกรดลงจากเรือพอเหยียบหาดทรายได้ถนัดยืนมั่นคงดีแล้วก็หันกลับจะมาขอบใจให้พรเจ้าของเรือแต่ก็ต้องประหลาดใจเรือน้อยลำนั้นหายไปเสร็จแล้วท่านมองไปทั่วลำน้าโขงมีแต่ความเบิกางสงบเงียบกระแสลม เิ้วเป็นระยะทำให้รู้สึกวังเวงใจแต่ในทันใดนั้นก็ได้เห็นจระเข้ตัวหนึ่งลอยฟ้องขึ้นเหนือผิวน้ำโขงหันหัวอันใหญ่โตของมันมามองหลวงปู่ชอบในตาแป๋วท่านจึงกำหนดจิตเป็นสมาธิส่งกระแสพลังจิตไปยังจระเข้ลึกลับตัวนั้นเป็นเชิงทักทายถามไทยพรานก็รู้สึกว่าจระเข้ยักษ์ใหญ่นั้นเป็นพญานาแปลงร่างเป็นจระเข้และเป็นผู้แปลงร่างเป็นเรือ เป็นคนพายเรือพาท่านข้ามน้ามาส่งที่ฝั่งราวนั่นเองแต่เพื่อความแน่ใจท่านจึงทดลองเดินไปปนหาซทรายกว้างที่ท่อตัวเข้าหาดลิ้วสูงพอเดินไกลามาพอสมควรแล้วจึงได้หันไปมองอีกก็ยังเห็นจระเข้ใหญ่ตัวนั้นลอยฟ้องเหมือนท่อนซุงมองท่านอยู่อย่างอาลัยอาวร์ท่านจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้และพูดออกมาว่าเอาละเราขอบใจท่านที่ช่วยเป็นภาร ะ, ระให้เราข้ามมายัางฝั่งนี้ได้เรียบร้อย เราจะเดินทางต่อไปท่านอย่าเป็นห่วงเลยเมื่อหลวงปู่ชอบกล่าวจบจร์เข้ลึกลับตัวนั้นก็แสดงอาการชูหัวขึ้นสูงสามครั้งแสดงความคาระวะและหมุนตัวจมวูบหายไปในลำน้ำโขงเป็นที่น่าพิศวงยิ่งนักครูบาอาจารย์หลายองค์ที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระพูดว่าเราเคยเห็นพญา น, นาคเหมือนรูปเขียนที่ผนังโบสถ์นั่นแหละพญา น, นาคมีสามงอนบ้างมีสี่งอนบ้างมีเจ็งอนบ้าง พญานาคมาได้กันทั้งตัวผู้ตัวเมียก็เคยเห็นมีงอนสีแดงมีแผงคอเหมือนมา้าลำตัวใหญ่ยาวเกร็ดสีดําเป็นมันเลื่อมบางครั้งพญานาคก็มาแบบมนุษย์ทรงเครื่องแบบกรรษัตริย์สง่างามมากมีข้าราชบริพารแห่แหนมาเหมือนขบวนพระราชาระพบมาหลายแบบพญานาคจาแปลงกายเป็นงูตัวเล็กๆ็กก็มีแปลงกายเป็นตาผ้าขาวก็มีเป็นผู้หญิงก็มีเป็นชาวบ้านธรรมดาก็มีแปลงร่างเป็นเสือก็มี และมีอีกหลายอย่างอีกหนึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเจอพญายนาคสองผัวเมียของหลวงปู่ชอบจากประวัติของหลวงปู่บุญพินกระตับบุญโยท่านพมนักจำพรรษาที่วัดป่านิโครัทารามบ้านหนองบัวบานจังหวัดอุดรธานีพอออกพรรษาจึงออกเดินทางตามหาหลวงปู่ชอบฐานนาสโมโดยตามไปที่วัดถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยแต่ไม่เจอจึงไปวัดถ้าผาปู่เจอหลวงปู่หลุยจันทสาโร กลับเรียนถามหลวงปู่หลุยพอดีหลวงปู่หลุยจะไปหาหลวงปู่ชอบที่ฝั่งลาวหลวงปู่บุญพินจึงได้ติดตามไปพร้อมกับหลวงปู่หลุยและพบกับหลวงปู่ชอบที่เมืองลาวและตั้งใจจํารรษาที่เมืองลาวแต่รนยะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศลาวไม่สงบทหารลาวไม่ให้พักหลวงปู่ชอบจึงให้หลวงปู่บุญพินกระตับปุญโยกับพระอาจารย์บัวคำมหาวีโรเดินทุดงมาพักที่บ้านนายาวหมู่บ้านนี้เป็นบ้านร้างมีอยู่ห้าหลังคาเรือน ระหว่างพักที่บ้านนี้ช่วงกลางคืนจะมีฝูงช้างผ่านมาทุกคืนและมีเสือร้องอยู่ใกล้ที่พักมีคืนหนึ่งช้างหลงฝูงเข้ามาที่พักตัวหนึ่งไม่ยอมไปพระอาจารย์บัวคําจึงได้ออกมาจุดไฟไล่พอช้างได้กลิ่นควันไฟก็หนีไปหลวงปู่บุญพิน์พักที่บ้านนายาวนี้ประมาณหนึ่งเดือนจึงได้กลับไปหาหลวงปู่หลวยกับหลวงปู่ชอบจากนั้นหลวงปู่ชอบได้พาธุดงขึ้นไปทางเหนือไปพักที่บ้านน้ํามีทําผาร่มพร้า ในถ้ำนี้จะมีพระพุทธรูปโบราณมากมายจนหาที่นอนไม่ได้เวลาจะนอนต้องใช้มือกวาดพระพุทธรูปออกก่อนแล้วจึงค่อยนอนได้ขณะที่พักอยู่ในถ้ำแห่งนี้หลวงปู่บุญพิน์ได้ทําข้อวัดปฏิบัติและทําสมาธิภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนเช้าวันหนึ่งขณะ น, นําน้ําล้างหน้าและยาสีฟันถวายหลวงปู่ชอบท่านได้ถามว่าเมื่อคืนนี้ท่านได้นิมิตอะไรไหมหลวงปู่บุญพินต์ตอบว่า กระผมไม่ได้นิมิตอะไรเลยขอรับกระผมก็เหมือนคนตาบอดนี่เองหลวงปู่ชอบจึงพูดว่าเมื่อคืนนี้ได้นิมิตเห็นพญา น, นาคสองหัวเมียลําตัวเท่าต้นมะพร้าวหัวพญา น, นาคมาพาที่ก้อนหินในถ้านี้ส่วนหางนั่นอยู่ที่แม่น้ำโขงตัวใหญ่มากหลวงปู่บุญพิน์เลยถามหลวงปู่ชอบว่าหัวของพญา น, นาคเหมือนที่เขาเขียนในรูปไมมขอรับหลวงปู่ชอบตอบว่าก็เหมือนกับในรูปนั่นแหละหลวงปู่บุญพินถามว่า แล้วเขาขึ้นมาทำไมขอรับหลวงปู่ชอบตอบว่าพญา น, นาคขึ้นมากราบหลวงปู่เพราะมีความศรัทธาเลื่อมใสและได้เทศนาศีลห้าให้พญา น, นาคฟังจากนั้นหลวงปู่ชอบได้ถามพญา น, นาคว่าในใต้บาดานมีแสงอาทิตย์ไหมพญา น, นาคตอบว่าในใต้บาดานไม่มีแสงอาทิตย์แต่มีแสงแก้วสว่างสวัยตลอดทั้งกลางวันกลางคืนพอหลวงปู่ชอบถามเสร็จพญา น, นาคก็กราบลา เวลาพญายนาคจะไปไม่เหมือนกับงูจะค่อยๆไยหลังไหลลงแม่น้ําโขงแล้วหายไปเลยพอคืนต่อมาพญายนาคได้ขึ้นมาหาหลวงปู่ชอบอีกท่านได้เล่าให้หลวงปู่บุญพินฟังว่าเมื่อคืนนี้พญายนาคขึ้นมาหาเหมือนคืนก่อนแต่คืนนี้เขาแปลงกลายเป็นมนุษย์ผู้ชายกับผู้หญิงแต่งตัวเหมือนพระราชาผู้ชายใช้ผ้าแดงคาดหัวขึ้นมากราบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบเลยถามว่าพวกท่านมาจากไหนพญายนาคสองผัวเมียตอบว่า คืนก่อนจะมากราบหลวงปู่เลยหลวงปู่ชอบถามแล้วคืนนี้ทาไมพวกท่านเป็นมนุษย์มาพญานาคตอบว่าพวกกระผมเป็นพญานาคมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้หลวงปู่ชอบถามต่อว่าสาเหตุที่ท่านเป็นพญานาคมาอาศัยอยู่ในบาดาลใต้ถ้า น, นี้เพราะเหตุอะไรพญานาคตอบว่าเมื่อชาติก่อนพวกกระผมมีบ้านอยู่ใกล้ถ้า น, นี้และวถ้ำ น, นี้ก็เป็นวัดและได้นําเอาเสียมเอาจอบ อมีของวัดไปใช้แล้วไม่ได้ส่งคืนถือเอาเป็นของเจ้าของพอตายไปกรรมนั้นเลยให้ผลมาเกิดเป็นพญานาคเพื่อชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้ใต้บาดาลใต้แม่น้ำโขงนี้ต่อจากนั้นหลวงปู่ชอบได้เทศนาอบรมให้รักษาศีลให้ตั้งอยู่ในธรรมพอหลวงปู่ชอบเทศนาเสร็จพญานาคได้กราบลาหลวงปู่ชอบกลับไปมีวันหนึ่งหลวงปู่ชอบได้เตือนพระเนนว่า เวลาล้างบาทจะเอาน้ำล้างบาศสาดลงไปในฝั่งแม่น้ําเช้าวันนั้นออกบินทบาทได้ข้าวปลาแห้งจํานวนมากพอกลับถึงวัดหลวงปู่บุญพินให้เนนเอาไม้ไผ่มาหลามคือเอาน้ําผักปลาใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วนําไปตั้งไฟพอเสร็จแล้วนํามาถวายหลวงปู่หลุยและหลวงปู่ชอบพอฉันเสร็จหลวงปู่บุญพินได้นําบาศไปล้างที่ท่าน้ําและได้เห็นฝูงปลาเยอะแยะจึงพากันสาดข้าวให้ปลากินพอล้างบาทเสร็จกลับขึ้นมาในถ้า ขณะเช็ดบาทได้ยินเสียงดังสนั่นในริมฝั่งน้ําจากนั้นหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบหลวงปู่บุญพิน์พร้อมพระเนนได้ออกมาดูเห็นริมฝั่งแม่น้ําโขงซึ่งเป็นชายหาดพังทลายลงเหมือนกับใช้รถดันชายฝั่งเสียงสนั่นหวั่นไหวขณะที่ยินดูอยู่นั้นหลวงปู่ชอบได้กล่าวขึ้นว่าใครทําอะไรในท่าน้ํานั้นหลวงปู่บุญพิน์ตอบพวกกระผมพระเนนได้ไปล้างบาทได้เห็นฝูงปลา ก็เลยสาดข้าวก้นบาดให้มันกินหลวงปู่ชอบจึงกล่าวว่าในสถานที่นี้เป็นที่อาศัยของพญานาคและพวกนี้ไม่ชอบสกกระปรกในเมื่อพระเดนได้ทำากกระปรกลงไปในน้ำพวกเขาเลยโกรธเขาเลยแสดงอภินิหารให้ดูสำหรับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ท่านคิดยังไงกับตำนานพญานาคของหลวงปู่ชอบคิดว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงไหมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ หากชอบอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ